ก็คือปรากฏการ์โลกร้อนนะซึ่งก็แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะบนพื้นโลกนะแต่ว่าก็คงมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาในภาพรวมได้ถ้าเกิดว่าทำกันหลายๆจุดปัญหาโลกร้อนนี่เป็นปัญหา<ม>ที่จัดว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วเพราะว่ามันส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกอย่างทั่วถึงในหลายลนะักษณะแล้วก็รวดเร็วมาก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 แลก ก, การสำรวจตรวจสอบมันทํำก็อย่างทั่วถึงก็พบว่ามันน่ากลัว น, น้ําแข็งละลายก็หมายค่ะว่าราะดับน้าในทะเลก็จะเพิ่มมากขึ้นกรุงเทพก็จะเดือดร้อนเพราะว่าต่ําบางแห่งในกรุงเทพมันก็ต่ํากับระดับน้ำทะเลอยู่แล้วเช่นแถวหุยขวางถ้าน้ําเ อ, อ่ขึ้นมาก็พัวแน่นอนปัญหาไม่ใช่แค่น้ําท่วมอย่างเดียวปัญหาก็ยังมีผลกระทบกับปรากฏการณ์ดินฟ้าอากาศด้วย คือถ้ามันไม่รุนแรงเกินไปมันก็ขาดหายไปเลยเช่นเกิดฝนก็เกิดเป็นพายุรุนแรงอย่างพวกทอร์นาโดในทวีป อ, อเมริกาหรือว่าอาจจะรวมถึงไซโคลนนากิสนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะของการเกิดปัญหาเลือนกระจกโลกร้อนแล้วก็ในส่วนที่อยู่ลึกไปมันก็ไม่มีน้ำเพราะเดี๋ยวนี้น้ำแข็งละลายเร็วเรียกว่าทานน้าแข็ ง, ขงรียกลาเซียเนี่ยมันละลายเร็วก่อน พอถึงฤ ด, ดูร้อนนี่ก็แทบไม่เหลือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แม่น้ําที่อาศัยทานน้าแข็งในเทือกเขาฮิมาลัย์คงคาสินทุหรือว่าแม่น้ําแยงซีพวกนี้นี่อาศัยทาน้ําแข็งแถบเทือกเขาฮิมาลัยเวลาพอถึงหน้าร้อนมันก็ละลายแม่น้ําเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากฝนตกนะไม่เหมือนเจ้าพยาเนี่ยอาศัยฝนเป็นหลักแต่ที่โน้นอาศัยน้ําแข็งมันละลายเวลาหน้าร้อน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 ไม่ค่อยออกดอกก็ไม่มีผลมันก็มีผลกระทบต่อนกต่อสัตว์นานาชนิดเดี๋ยวนี้ในหลายประเทศนี่ต้องใช้วิธีผสมพันธุ์เกผสมพันธุ์ผสมเกสรด้วยด้วยมือเพราะว่าพึ่งมันหายไปผสมเกสรด้วยมือเลยนะซึ่งมันก็ทําเท่าพึ่งไม่ได้เนี่ยมนุษย์โลกเรานี่แม้แต่ว่าขาดมดมดศูนย์พันไปหรือพึ่งศูนย์พันไปนี่เดือดร้อนกันหมดแต่คนศูนย์พัน์ไปนี่โลกไม่เดือดร้อนเลยนะ ป่านี่ก็เหมือนกันป่าสุกโตเนี่ยลองสมมติว่าถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยป่าสุกโตก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกกับจะดีด้วยซ้ําเพราะว่าไฟเอ่ยการตัดไม้ทำลายป่าก็น้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าตัวแมลงเช่นผึ้งหรือว่ามดหรือว่าพวกแมลงปีกทองเนี่ยมันหายไปเนี่ยโอ้ยป่าสุกโตเดือดร้อนนะยังไม่ต้องมองไกลเอามองแค่ป่าแลรอบตัวเราว่าป่าพึ่งเราหรือว่าเราพึ่งป่า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 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสัตว์นานาชนิดฉั้นตอนนี้นี่ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะจะข้อทุเละหรือนิ่งดูดายไม่ได้วันนี้การที่พวกเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่า ป, ปีปีหนึ่งเราคงปลูกต้นไม้ได้ไม่มากยิ่งถ้ามาปลูกต้นไม้เฉพาะเวลามาที่นี่มันก็ปลูกได้แค่100ต้นอย่างมากแต่ว่าถ้าเราจะช่วยโลกได้เนี่ยหรือว่าบรรเทาปัญหาโลกร้อนเนี่ยเราต้อง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 แต่ทำไมมันนเรายังไม่ยอมลดการใช้พลาสติกเพราะว่ามันสะดวกดีมันสบายดีนะไปไหนก็ไม่ต้องหอบคิวอะไรไปไปมือเปล่าก็มีพลาสติกแจกซื้อของช็อปปิ้งก็ได้มาแล้วเราก็ไม่รู้จักเอามารีไซเคิลการใช้พลังงานก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เราก็สะดวกสบายเคยมีนะเคยไปประเทศอเมริกานเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนเขาก็เปิดแอร์ไว้เปิดแอร์ทั้งบ้านเลยเวลาจอดไปนอกบ้านก็ไม่ปิดนะออกไปเป็นชั่วโมงเลยนะ ทำไมถึงไม่ปิดเพราะว่าเวลากลับเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะได้เย็นไงมันจะได้ไม่ร้อนเพราะว่าถ้าปิดแอร์แล้วกลับเข้ามาในบ้านมันร้อนต้องเปิดใหม่มันร้อนมันไม่สบายไม่สะดวกคนเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้กันหรือว่าอย่างในน้อยเนี่ยอย่างเช่นการต้มน้ําร้อนเนี่ยการน้ําร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเปิดทิ้งคาไว้ในระยะทั้งวันนะทั้งคืนด้วยเพื่ออะไรเพื่อว่ามันสบายไงมันสะดวกตื่นขึ้นมาหรือว่าจะต้องการกินกาแฟกินชาก็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 โลกที่เราอาศัยอยู่ธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้เราต้องกลับมาใหม่นะถ้าจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้จะต้องปรับทัศนคติจะต้องไม่นึกถึงแต่ความสะดกสบายแล้วก็ขณะเดียวกันต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่มีด้วยเพราะว่าปัญหานี้ก็คือเราต้องการมีเยอะๆมีมากๆเราไม่พอใจในสิ่งที่มีแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็ไม่ยินดีด้วยนะไปซื้อของมาต่อราคามาของ200ต่อมาได้150 แต่พอซื้อกลับมาบ้านหรือว่ามาโรงแรมหรือว่าขึ้นรถทัวร์พบว่าเครืนซื้อได้ร้อยหนึ่งเศร้าเลยคนไทยที่เป็นนักช้อปปิ้งนี่จะเจอโลกนี้มากซื้อของมาคนไทยชอบต่อไปพมา่าไปอินเดียต่อหรอส0งให้หรือร้อหรือร้อต้องต่อไม่ต่อไม่ได้แต่พอต่อมาได้แล้วแทนที่จะดีใจกับเสียใจเมือ่อรู้ว่าคนหนึ่งเขาต่อได้ได้มากกว่าซึมนะนั่งรถ่กยก็ซึมไปพาไปชมสังเวชีสถานก็ไม่ไม่เก็ต เพราะว่ายังซึมอยู่ว่าซื้อคนหนึ่งเขาซื้อของได้ถูกก่าเราแทนที่จะได้ประโยชน์กับได้ทุกนะนี่เรียกเพราะอะไรเพราะไม่ยินดีในสิ่งที่ได้ไม่ยินดีสิ่งที่ได้แต่จะให้ดีต้องพอใจในสิ่งที่มี <S <S <c oughs> คือถ้าเราพอใจในสิ่งที่มีเนี่ยเราไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าซื้อก็ต้องให้ยินดีสิ่งที่ได้มาไม่ใช่มาเสียใจว่าเขาซื้อได้ถูกก <ances> <c oughs> ่าเรามนุษย์เราเนี่หรือคนไทยเราเนี่ยถ้าเราแค่พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เนี่ย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 ที่จะเที่ยวไปชอปปิ้งที่ไหนก็เลยเพ่าลงจะไปเที่ยวที่ไหนก็เพ่าลงเพราวะว่าน้ํามันแพงที่ภูหลงเนี่ยมีวัดมีรถคันหนึ่งมันเก่าแล้วนะก็ใช้มา1 3บ4ปีเพื่อนนักเรียนร่วมโรงเรียนคอาตามาก็บอกว่าให้หาซื้อคันใหม่แล้วคันเก่าที่มีทํำยังไงก็มีวัดที่น้องคายเขาก็อยากจะได้แต่พอน้ามันแพงเขาบอกเ้าไม่เอาแล้วรถนะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันช่วย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 มันยังก่อปัญหาอยู่กว่ามันจะเจอจางหายไปเนี่ยต้องใช้เวลาย 20, ี่ 20-30 ปีสมมุติว่าการคำบรรดาษายที่ส่งไปเมื่อวานเนี่ยไปอยู่บญชับรรยากาศแล้วเมื่อวานเนี่ยอีก25ปีนั้นมันถึงจะหายไปหรือมันส่งลดผลกระทบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกร้อนก็ยังเป็นปัญหาอยู่เราก็ต้องทำใจไว้ด้วยว่าจะต้องรับมือจะต้องเจอกับปัญหา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 ไม่อยากไปไหนเลยประมาณตอนบ่ายเนี่ยได้ยินเสียงกดออดเขาก็ออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบุรุษไปสนีเรียกให้เข้ามารับเอกสารแล้วต้องเซ็นด้วยเขาก็งุนงงขึ้นมาทันทีเลยว่าอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยไม่อยากออกไปเลยนะอยู่ในห้องแอร์สบายแล้วออกไปทำไมเขาก็เลยไม่ออกก็ปล่อยให้บุรุษไปสนีกดออดนั่นแหละแต่บุรุษไปษนีนี่ก็ มีความเพียนะก็กดอ่อยก็คอยแต่เขาไม่ได้คอยเปล่าเขาก็ร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเพลงก็ดังดังเข้ามาอยู่ในห้องสุดท้ายเจ้าของบ้านก็เลยต้องออกไปรับออกไปรับก็ก็บนนะหัวอาการมันร้อนเหลือเกินแต่เขาสังเกตว่าบุรุษปเสนีนี่ตัวเหงือกซกเลยแ ต, แต่หน้าตา ย, ยิ้มแยม้มพอเขารับเอกสารฉันก็เลยถามว่าเนี่ยอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยมีกระใจร้องเพลงอีกเหรอบุรุษปเสนีก็ตอบว่าเนี่ย เดี๋ยวนี้โลกมันร้อนครับแต่ว่าใจไม่ไมจําเป็นต้องร้อนตามก็ได้นะผมร้องเพลงเนี่ยทำให้ใจผมเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นใจไม่ทุกข์เนี่ยคนเราถ้าเราปล่อยให้ใจร้อนไปตามโลกเนี่ยเราทุกข์นะเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้แม้ว่าโลกมันจะร้อนแค่ไหนก็ตามโลกร้อนแต่ใจเย็นนี่ทําได้ถ้าเราไม่เผลอไปหงุดหงิดหรือปล่อยให้ความหงดหงิดครอบงาจิตใจ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 มันมืนก็นแสงสว่างที่สาดส่องเข้าไปความมืดก็หายไปเองหรือว่าถ้าเกิดว่ายังดูจิตได้ยังไม่คล่องไม่เข้าอย่างน้อยก็รู้จักปรับจิตปรับใจอย่างบุรุษไปสีคนที่ว่าเขาก็รู้ว่าจิตเขารุ่มร้อนไปตามบรรยากาศภายนอกนะแต่เขาก็มีสติพอที่จะปรับจิตปรับใจให้เย็นด้วยการร้องเพลงนะด้วยการร้องเพลงก็ทําให้ใจเขาเย็นใจเขาสบายจริงเวลาเราเจอความทุกเนี่ยเพียงแค่เรา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 นะความทุกข์ความหม่นมองก็จะบรรเทาเบาบางไปไอสิ่งที่ในใจแม้มันจะชั่งตวงวัดไม่ได้แต่มันหนักนะบางทีหนักกว่าหินแบกหินยังไม่เท่ากับแบกความทุกข์ไว้ในใจความหนักอกหนักใจนี่มันทำร้ายจิตใจยิจ่งกว่าไปทํางานออกแรงซะอีกใี่เราต้องรู้จักทําใจของเราเนี่ยให้สงบเย็นโดยการที่มีสติประคองใจหรือว่าให้มีสติรู้ทันความคิดนึกต่างๆเวลาทําอะไรก็ตามแม้จะไม่ได้อยู่วัด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 ไม่เติมเชื้อเติมฟื้นให้กับมันกองไฟมันก็มีแต่จะดับลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในทวะที่โรกร้อนเนี่ยการที่เรามาช่วยการรักษาปา่าปลูกปา่านี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่านุมโมทนาแล้วก็ให้ช่วยขยายสํานึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กว้างขวางออกไปให้บ้านของเราเนี่เป็นบ้านที่ทาําลายสิ่งแวดล้อมน้อยลงเป็นบ้านที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติมากขึ้นปลูกต้นไม้ที่บ้านให้มากขึ้น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 ปล่อยวางในที่นี้หมายถึงปล่อยวางที่ใจนะแต่ว่าเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องรับผิดชอบต้องทำกันต่อไปนะปล่อยวางไม่ได้ไหมายถึงว่างอมืองอเท้าปล่อยวางคือว่าเราต้องรับผิดชอบป่าเราก็ต้องดู แ, แลแต่เราดู แ, แลด้วย ใ, ใจที่ปล่อยวางปล่อยวางคือว่าไม่ได้ยึดมาเป็นป่าของเราเราถึงดู แ, แลถึงไม่ใช่ป่าของเราเราก็ดู แ, แลได้ดู แ, แลด้วยความสานึกรับผิดชอบหรือจะดู แ, แลด้วยความสานึกในกตัญญูรู้คุณก็ได้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 การมาปลูกป่าคือการมาทําตันที่เป็นประโยชน์แต่เราปลูกป่าไปเราก็ต้องรู้จักสงบเย็นด้วยถึงแม้ว่าอย่างวันนี้เนี่ยเราไปปลูกป่ากลางวันแดดจะร้อนแต่ว่ามันร้อนที่กายใจเราเย็นใจเราสงบนะใจเราเป็นบุญไม่ใช่ปลูกไปก็ ด, ากดา่าก่นด่าพาธิดไปว่าทําไมมามาสว่างเอาตอนเราปลูกไอ้ตอนที่ไม่ปลูกนี่แห ม, มเมฆคลุ้มนะอันนี้ไม่มีประโยชน์ใจของเราเนี่ยคือตัวการก่อทุกข์ ในบรรดาวความทุกข์ของคนเราเนี่ยร้อเนี่ยเจมันมาจากใจนะใจที่วางว่าไม่เป็นใจที่ไม่มีสตินะใจที่ไม่เห็นไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงของธรรมชาติใช้ความทุกข์ทางกายมันแค่3 0มเท่านั้นแหละอันนี้ผู้หลวมทุกคนที่เจ็บป่วยคนเจ็บป่วยเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยทุกกายก็สามสิบ์ทุกใจล่ อ, อเข้าไป 70% แล้วมันทุกใจเพราะมันหงุดหงิดมันกระวนกระวายกังวล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 ถ้าไม่ปวดเลยก็ศูนย์ถ้าปวดมากก็สิแต่ปวดมากขนาด10นิดเรีว่าเป็นมะเร็งเ่ยเรียกว่าปวดมากก็ไปถามคนไข้ที่บ้านมาให้คะแนนความปวดเท่าไหร่คนไข้บอก10พยาบาลก็ตกใจ10ได้ยังไงเพราะถ้าปวด10นี้แสดงว่ามันต้องไปนอนพังงาบ พ, พังงาบที่โรงพยาบาลแล้วมามาพูดมาคุยไม่ได้รับไปสักมาก็บอกกายมันกายมันปวด3ใจมันปวด7เรียกว่าเป็นสูตรได้เลยคนส่วนใหญ่ก็อย่างนี้แหละ กายปวด 30% มสกายทุก 30%, 30ที่เหลือ 70% ก็คือป่วยใจเดินกลางแดดก็เหมือนกันเวลาเดินกลางแดดเนี่ยแดดร้อนๆเนี่ยที่ร้อนจริงๆอ่ะร้อนกาย 30% ร้อนใจ 70% แต่ถ้ามีสติทําให้ใจเย็นได้เนี่ยความทุกข์ก็เหลือแค่สามสิบอรตมาพูดได้เพราะว่าชวนคนเดินธรรมยาถาทุกปีทุกปีกลางแดดเนี่ยพอบอกเตือนใจเขาว่าเนี่ยเหนื่อยกายอย่าไปเหนื่อยใจร้อนกายจะไปร้อนใจ พอฝึกให้ใจนี่เย็นได้เนี่ยมันก็เดินได้นานขึ้นแล้วก็ยิ้มได้มากขึ้น